ข้างนนี้ก็ขึ้นมานั่งได้ถ้าเป็นผู้ชายขึ้นมานั่งข้างบนนี้ก็ได้วันนี้ธรรมชาติไม่เป็นใจ ดังที่ได้พูดไว้เกี่ยวกับเรื่องของพระอนุนที่พระพุทธเจ้าได้ส่งตัดถามเรื่องการเจริญมานุสสติว่าวันวันหนึ่งนี้อนนุนเธอได้เจริญเราวเ ล, ลกถึงความตายสักกี่ครั้งด้วยกันพระอนุนก็ตอบว่าประมาณสักสี่ห้าครั้งพระพุทธเจ้าก็ทรงตัดว่า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 ความตายนี้จะเป็นเรื่องธรรมดาจริงๆเป็นเรื่องของการหายใจเข้าออกนี่เองแต่สำหรับผู้ที่มีจิตที่ยังอ่อนไว้อยู่เป็นจิตที่ไม่สามารถเจริญมรณานุสติได้เช่นเวลาร ะ, ะลึกถึงความตายแล้วมีความหวาดตัวหรือมีความหดหู่ใจ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 หวาดกลัวให้กับใจได้ใจก็จะสามารถรา ล, ลึกหรือพิจารณาความตายได้แล้วก็จะเห็นว่าความตายนี้เป็นเรื่องธรรมดาเหมือนฝนตกแดดออกนี่ไม่มีผลกระทบกับใจเลยสิ่งที่ถูกกระทบคือร่างกาย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 เช่นเดียวกับร่างกายกับใจใจเป็นเจ้าของต้นไม้ใจเป็นเจ้าของร่างกายแต่เป็นเจ้าของชั่วกราวไม่ได้เป็นเจ้าของที่ถาวรเพราะร่างกายนี้ไม่ได้เป็นสมบัติที่ถาวรของใจร่างกายนี้ได้มาแล้วก็จะต้องแก่เจ็บตายไปในที่สุดถ้าใจรู้ความจริง จากการได้พิจารณาแยกแยะใจออกจากร่างกายได้เวลาเกิดอะไรขึ้นมากับร่างกายใจก็จะวางเฉยได้ไหววางได้ไม่ทุกไปกับความตายของร่างกายความทุกนี้เกิดจากความอยากไม่ให้ร่างกายนี้ตายนั่นเอง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 ทุกุนวายไปกับความตายนี่คือเรื่องของการมีความเพียรเราต้องพยายามเพียรเจริญสติเพียรเจริญปัญญาให้มากเพียร น, นั่งสมาธิทำใจให้สงบเพราะถ้าใจสงบแล้วใจจะสามารถปล่อยวางร่างกายได้ถ้าปัญญา สอนลืชี้ให้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายนี้ประกอบขึ้นมาจากธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟและสักวันหนึ่งก็จะต้องกลับคืนสู่ธาตุเดิมธาตุที่มีอยู่ในร่างกายทั้งสี่นี้เช่นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนี้สักวันหนึ่งก็จะต้อง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 ให้รวมเป็นหนึ่งให้ดึงใจให้เข้าไปข้างในสิ่งที่คอยดันใจให้ออกมาทางร่างกายก็คือตันหาความอยากต่างๆเช่นความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะก็จะดึงใจให้ออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อที่จะได้เสพสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะ แล้วก็ได้รับความสุขชั่วคราวแล้วก็จะต้องเจ็อยู่เรื่อยๆใจก็จะไม่ยอมเข้าไปข้างในจะออกมาอยู่เรื่อยๆจะออกมาหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะอยู่เรื่อยๆถ้าปล่อยให้ออกมาใจก็จะไม่มีวันสงบใจจะสงบได้เมื่อต่อเมื่อใจนี้ถอนออกมาจาก รูปเสียงกลิ่นรสปุถะภะถอนออกมาจากตาหูจมูกลิ้นกายรวมเข้าไปสู่ใจการที่จะให้ใจถอนออกมาจากรูปเสียงกลิ่นรสถอนออกมาจากตาหูจมูกลิ้นกายได้ก็ต้องใช้สติเป็นเครื่องมือนั่นเองถ้าเราจเจริญสติแบบใดแบบหนึ่ง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 เหล่านี้จะเป็นทั้งสติและเป็นทั้งปัญญาแต่ถ้าจลิตไม่เหมาะกับการเจริญาวานานุสติหรืออสุภะก็จำเป็นที่จะต้องใช้อย่างอื่นเช่นอานาปณะสติหรือกายกตาสติหรือพุทธานุสติไปก่อนเพื่อทําใจให้รวมเป็นสมาธิให้ใจสงบ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 ฉันไดความสุขที่พวกเรามีกันอยู่ในขณะนี้ความสุขที่ได้จากการเสบรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะนี้เป็นความสุขที่สู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้ถ้าใจเรารวมเป็นสมาธิแล้วเราจะเห็นความแตกต่างของความสุขสองรูปแบบนี้ทันทีและเราจะรู้ทันทีว่าเราจะเอาความสุขแบบไหน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 เอปฏิบัติจะเห็นคุณค่าของการเจริญสติหลังจากที่ได้สัมผัสกับความรวมการรวมของจิตจะหลังจากที่ได้สัมผัสกับสมาธิหลังจากที่ได้สัมผัก ส, ก, สผกับความสุขที่เกิดจากความสงบของใจจะอยากจะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ไปแม้ว่าจะเป็นบุคคลจะเป็นข้าวของเงินทองอะไรต่างๆ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 ริมรสากจะไม่อยากรับประทานอาหารชนิดอื่นอีกต่อไปเพราะรสของอาหารที่ได้ลองลืิมรสนี้มันดีกว่ารสอาหารทั้งปวงนั่นเองรถแห่งธรรมก็เป็นอย่างนั้นรสแห่งธรรมก็รสของความสงบนี้เองความสงบที่เกิดจากการเจริญสติอยู่เรื่อยๆตอนนี้ถ้าเรายังไม่มีความเพีย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 ก็ไปหาเงินทองมาเพิ่มขึ้นมาอีกทำไมหาไปเท่าไหร่ก็เท่านั้นรดยจะอ้างว่าหาให้คนนั้นคนนี้หาไปให้เขาทำไมสู้สอนให้เขามาหาความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ไม่ดีกว่าหรือชวนเขามาบาเพ็ญมาปฏิบัติไปกับเราเขาจะได้รับความสุขที่แท้จริง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 มาสร้างความเพียรกันมาเจริญสติกันมานั่งสมาธิทำใจให้สงบ เ, เป็นหนึ่งกันเพื่อจะได้สัมผัสกับความสุขที่เกิดจากความสงบนแล้วเมื่อได้ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้แล้วก็ใช้ปัญญารักษาต่อไปสิ่งที่จะมาทาลายความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ก็คือความอยากที่ยังไม่ตายไปจาก กำลังของสติและสมาธิสติและสมาธินี้เพียงแต่ยับยั้งความอยากไว้ชั่วคราวต่เวลาที่ใจออกมาคิดปรุงแต่งความอยากนี้ก็จะโผล่ขึ้นมาได้เวลาโผล่ขึ้นมาถ้าปล่อยให้มันออกมาแผงฤทธิ์มันก็จะมาทำลายความสุขที่ได้จากความสงบ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 ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาอันนี้เป็นหน้าที่ของปัญญาที่จะทาให้สามารถทาลายความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ส่วนสติหรือสมาธินี้เพียงแต่หยุดไว้ชั่วคราว mm. เช่นเวลาจลิยมอนานสตินี mm. ้ก็จะไม่สามารถไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสผดตะพะไม่สามารถไปคิดถึงสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆ mm. ได้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 ต้องมีความเพียรตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนดับเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนพระให้บำเพ็ญตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยตื่นขึ้นมาตีสองตีสามก็ให้เดินจงกรมนั่งสมาธิเจริญปัญญาแล้วแต่ว่าอยู่ในธรรมขั้นไหนพอถึงเวลาออกไปทําภา ร, รกิจต่างๆก็ให้มีสติควบคุมใจให้อยู่กับภา ร, รกิจการงานที่กําลังทําอยู่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 ห้เกิดแก่เจ็บตายใหม่อีกรอบหนึ่งและอีกหลายหายรอบจนกว่าที่เราจะหันความเพียรของเราจากการไปหาความสุขทางรูปเสียงกิริยลดความสุขทางลาบยศสัระเสิญให้มาหาความสุขจากความสงบของใจด้วยการเจริญสติสมาธิและปัญญาถ้าเราได้หันเหทิศทางของความเพียรของเรา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 ก็จะใช้ปัญญาพิจารณาทําลายสิ่งที่จะมาคอยทําลายความสงบที่ที่ได้มาพอมีปัญญาปัญญาก็จะสามารถทําลายตัณหาความอยากต่างๆที่เป็นตัวที่จะมาคอยทําลายความสงบทําลายความสุขที่ได้จากความสงบพอตัณหาถูกปัญญาทําลายไปหมดแล้ว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 ผู้ฟังจะได้ยินทั้งคําถามและคําตอบถ้ายังไม่มีก็จะให้พิธีกรตอบคําถามที่พานมาถามมาจากทางบ้านขอประชาะสัมพันธ์เลื่อนรถก่อนนะคะรถยนต์กทสองเจ็ดเจ็ดแปดกรุงเทพลบกวนเลื่อนรถให้ด้วยค่ะกไก่ทอทงสองเจ็ดเจ็ดแปดกรุงเทพลบกวนเลื่อนรถให้ด้วยค่ะ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 ควพยายามให้เกาะติดอยู่กับคำบริกรรมไปเรื่อยๆเวลามีความคิดเข้ามาแทรกก็อย่าไปสนใจให้เกาะติดอยู่คำบริกรรมหรือถา้าถ้ามันใช้ปัญญาใช้ไตรักได้ก็ใช้ได้คิดว่าเป็นไตรากเป็นอนิจจังเป็นอดีตมันผ่านไปแล้วเราไปทำอะไรมันไม่ได้คิดไปก็ป่วยการเปล่าๆก็หยุดคิดแล้ว ก, กลับมาเจริญ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 สอนแบบกลางๆไม่ได้ทะลุทะลวงเข้าไปสู่เรื่องใดเรื่องหนึ่งบางทีต้องมีผู้เอาคำสอนนี้มามาใช้ในกับเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็จะทำให้เราเข้า อ, อกเข้าใจขึ้นดีดีขึ้นและสามารถนอมนำเอาไปปฏิบัติให้เกิดผลกับเราได้ครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี้สำคัญมากแต่ยากเหมือนเพชร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 ขอให้ใจมีอะไรทําอย่าเพื่อจะได้ไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเท่านั้นเองพอเราใจได้อยู่กับเรื่องอื่นไปสักพักมันก็จะลืมเรื่องนั้นความทุกข์ใจก็จะหายไปฉะนันพยายามหัดบริกรรมไว้อย่างที่เมื่อกี้ได้พูดตอบไปในคําถามที่ผ่านมาว่าคําบริกรรมนี้เป็นเหมือนยาสามัญประจําบ้านรักษาได้ทุกโรคะปวดท้องปวดหัวอปวดแขงปวดขายาหมองนี่ทาได้หมด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 เรื่องของพลังจิตยอย่างที่เราคิดกันเช่นสามารถปลุกเสกให้เราเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมาได้นี้มันไม่มีหรอกอย่าไปคิดว่าพระพุทธเจ้าถึงแม้จะวิเศษขนาดไหนท่านก็ไม่สามารถผลิตนิพพานให้กับเราได้ปลุกเสกให้เราเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาได้อันนี้มันเหนือวิสยัยมันเนเหนือเหนือกฎของหลักเหตุผลหลักเหตุผลอยู่ที่ว่าผู้ใด มีเหตุผู้นั้นก็จะได้รับผลผู้ใดไม่มีเหตุผู้นั้นก็จะไม่ได้รับผลางานหน้าที่ของอุตตเจ้ากับของพระสาวกก็เพียงแต่สอนให้เรารู้จักเหตุเพื่อให้เราสร้างเหตุของเราขึ้นมาเองเมื่อเราสร้างเหตุได้เราก็จะได้รับผลได้นี่คืองานที่พระเจ้าได้ทรงกระทำตลอดระยะเวลาหลังจากที่ได้ทรงตัดสรุประจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตก็คือสอนเหตุ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 สตินี้เราสามารถตั้งได้ไม่ต้องไปอยู่ที่วัดอยู่ที่ไหนก็ตั้งได้เป็นอย่าว่าตั้งได้นานตั้งได้น้อยตั้งได้มากนี่มันอยู่ที่สถานที่ถ้าอยู่ในสถานที่สงบสงัดวิเวกไม่มีเรื่องมีแลวนี่จะตั้งสติได้ได้มากได้นานแต่ถ้าต้องไปอยู่ในเหตุการณ์ต่างๆเกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆนี่มันจะล้มละเลยนาดได้ง่ายเดี๋ยวมันก็ถูกเหตุการ์ต่างๆฉุดลากไป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 แต่พอออกมาพบปะคนนั้นคนนี้แล้วไปแล้วเดี๋ยวหายไปหมดแล้วพุทธธงพุทโธอะไรนี้หายไปหมดแล้วเดี๋ยวเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้เข้ามากว่าจะได้กลับมาตั้งสติทีก็ต้องตอนที่เข้าไปในห้องน้ำอยู่และยิงต้องเข้าบ่อยๆนะนี่คือความจริงที่พวกเราจะต้องยอมรับและต้องพยายามทำให้ได้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 เอเท่าที่มันจําเป็นจริงๆเท่านั้นถ้าไม่จําเป็นก็อย่าไปสนใจสิ่งต่างๆในโลกนี้ทําไปมากน้อยเท่าไหร่มันไม่เป็นประโยชน์กับจิตใจเราเหมือนกับการเจริญสติเหมือนกับการเจริญปัญญายัางต้องพุ่งเป้าไปที่การเจริญสติสมาธิและปัญญานี้เท่านั้นแล้วเราจะได้รับสิ่งที่เลื่อนที่ประเสริฐที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้รับกันก็คิดว่าไม่มีคําถามแล้วใช่ไหม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 แม่รู้แต่ว่าไม่พูดเท่นั้นแหละแต่คนต่างรู้ก็ต่างคนต่างก็บางคนก็รู้ด้วยกันทุกคนกลับมาแล้วมีใครไม่รู้จะตายจริงด้วยนะนี่อายุฝันแล้วก็รู้อยู่แล้วมันใกล้แล้วไม่ทำอไรพูดแต่ก็เสียแหละเอข้อสคัญเขาไม่ทุบกันแล้วกัน แอ้ก็อยู่ไปตามปกติสุขของเขาก็ความตายมันเชื่อมวินาทีเดียวนะพอไม่หายใจมันก็ตายแล้วไปทุกข์ก่อนนั้นทําไมใช่ไหมไปทุกข์ตอนนั้นไม่ดีกว่าทุกข์แค่วินาทีเดียวเหมือนกับหมอบอกจะฉีดยาเนี่ทุกข์ไปก่อนแล้วรอให้หมอมาฉีดยาพอฉีดไปจริงจริ๊บเดียวเสร็จแล้ว <c oughs> <c oughs> นั่นนะ่ะนี่คือธรรมชาติของความตายของเหตุการณ์การตายมันเกิดขึ้นเชื่อมแป๊บเดียวแล้วมันผ่านไป แต่ใจเราเอามาคิดเอามาคิดอยู่เรื่อยๆมันก็เหมือนกับว่ามันไม่ได้หมดไปแล้วทีบจริงมันหมดไปนานคนดาเราเมื่อเช้า น, นี้มันหายกัแล้วแต่มันยังอยู่ในใจของเราอยู่นังออืมอืมอืม ตอนนี้ก็เป็นปีทีสุเป็นไใช่ไมตอนั้นธรรมะก็ให้แล้วในตอนนี้ที่ปฏิบัติธรรมก็สร้างให้แล้วมีขาดอะไรอย่างเงี้ยสายความเพียรแล่างงอั้จน่อนเดวอันนี้ให้ต้องมาเพียรกันแล้วนะแต่ว่าไม่มีที่ปฏิบัติไม่ได้นะที่ปฏิบัติก็มีแล้วเป็น <c oughs> <c oughs> คำสอนก็มีนลไม่มีข้ออ้างหร <c oughs> เอาหนะ้าพ <c oughs> ยายามเอเอาจริงไม่ไม่กี่ยกก็เสร็จแล้วเอาสตินี้ให้ได้ก่อนถ้าได้สติแล้วมันก็จะไปแล้วมันจะเป็นก้าวกระโดดตอนนี้มันอยู่ที่คอขวดสตินี้เป็นคอขวดของการปฏิบัติมันผ่านไปยาก จะตั้งสติได้นี่มันยากแต่พอตั้งสติได้นี่จิตรวมได้แล้วที่ไปน่ะทางปัญญามันไหลพื้พอเลเพราะปัญญานี่เราได้ยินได้ฟังกันจนหูฉีหูฉีกันฟังเทศกันครูบาอาจารย์ไม่รู้กี่องค์ปัญญาทั้งนั้นแต่เอามาใช้ประโยชน์ไม่ได้เพราะขาดสมาธิขาดสุขจ น, นสร้างสติสร้างสมาธิขึ้นมาแล้ว พอได้สติได้สมาธิแล้วนะทีนี้เอาปัญญาของครูบาอาจารย์ที่เราได้ยินได้างได้อ่านมาเนี่มาพิจารณาครับเดียวมันเข้าใจหมนปล่ยอยวางได้ตอนนี้อยู่ที่คอขวดพยายาดันดึงยช้าหน่แต่ถ้าไม่ดันมันก็ไม่ไปเลยพุดโทพุดโทไปตัท่องพุทโทพุดโทอยู่คนเดียวไม่ต้อง คุยกับใคไม่ต้องคิดเรื่องอะไรก็พุทโธพุทโธไปดิมันไม่ไปเนี่ยมันไม่ไปเองมันไม่เหมือนต้นไม้พอปลูกลงดินแล้วเราไม่ต้องไปยุ่งของมันมันก็เจริญงอกงามของมันได้แต่ใจนี่ทําว่าในใจเรานี้มันไม่มันไม่เจริญงอกงามของมันอถ้าเราไม่เราไม่ผลัดันมันต้องผลัดันด้วยความเพียรด้วยความพยายาม เหมือนไปแล้วถอยหลังมาอกแถอยแล้วพอหยุดเนี้ก็ถอยเลยเหมือนเด้นขึ้นเขาเหมือนเข็นรถขึ่งเขาพอหยุดเข็นเมื่อไหร่มันก็มันก็เลื่อนลงมาตักวายางเข็นไปเรื่อยๆแล้วหาไม้หาอะไรหาหินคอยลองยางไว้เมื่อไหรใช้เมืนไหร่ถอยเนี่ยขึ้นเยอะแล้วจังก็มัน ถ้ามันง่ายแบบนี้ก็มาลุกกันไปหมดได้ขึ้นเหมือนขึ้นเขามันง่ายกว่าลงเขาเวลาไปเที่ยวนี่พฟุตเดียวมาถึงเวลาไปวัาเนี่ยตั้งหลังแล้วตั้งหลังบางทีหยุดหยุดแค่สามวันมันก็ขี้เกียจเข้ามาได้เร็วเลยนะอพอมันไม่ได้ทํนานานๆ ท, ทําทีมันก็เลยเหมือนลดมันเป็นสนิมวะ ของมันเป็นสนิมแล้วกวารยาให้มันไหลลื่นได้เนี่ยมันต้องหยอดน้ํามันต้องขัดสนิมออกแต่ถ้าเราทําอยู่เรื่อยๆมันก็จะไม่มีสนิมเกาะมันก็จะไปได้อย่างง่ายดายความเพียรตั้งต่อเนื่องแล้วมันจะไปได้แต่ถ้านานๆทําทีมันก็เนี่ยเหมือนเรามาเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ <c oughs> ปลูกต้นไม้ก็เหมือนย้ายที่อยู่เรื่อยๆปลูกตรง น, นี้ได้สามวันเจ็ดวันก็ย้ายไปปลูกที่ รากมันยังไม่มีโอกาสที่จะแผ่ขยายออกไปมันก็ต้นไม้ก็โตไม่ได้ได้อย่างมากก็แค่ประทังชีพมันไปวันวันอย่างนี้เอาหน้าพยายามประกาบกูบาอาจามาไม่รู้กี่องกี่ปีแนละ้วจะลองปรกาบไปกี่อง์ถึงจะปฏิบัติกันนะท่านจาเดี๋ยวพิ้พพวกนู้ น, นเลย ทิ้งไม่ทิ้งถึงเวลามันไปก็ไปเ <laughs> วลามันได้มันจะไปได้อย่างนันนตอนนี้ยังไม่ไปก็รีบทําช่มีปัญหาอะไรจะได้ช่วยตอบให้ได้แต่ไปแล้วก็ช่วยไม่ได้แล้วจุดทูบ เอาละพบเวลาได้เวลาน